คือความซึ้งในการให้ทานคือผมที่เกิดขึ้นจากการให้นทานที่ปจักษ์กับใจก็เป็นความซึ้งประเภทหนะึ่งเกิดจากการนับตาสีงก็ซึ้งประเภทหนะึที่เกิดจากการทําความดีทั้งหลายก็ซึ้งซึ้งแต่และประเภทเนี้เรียกว่าสนุนทรธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมที่ซึ้งทั้งหลายก็คือที่ตักถอนา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 ทิคอาอัจจานังกลางไม่มีองค์ใดในความบกพรองในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทองค์เป็นผู้ทรงแง้วซึ่งทำอัิจาร์หลวงนี้คืออัจจาู่ทีิจิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอัจจาย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างอิ่มพูมแห่งความอัจจาย์นี้เท่านั้น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 ธรรมชาติอัศจรรย์นั้นออกมาไม่ได้เราจะนำออกมาแต่กีดีว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดโดยหมายเองว่าเป็นยังไงอัศจรรย์มันก็มาหาสงสัยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เป็นของอาจารย์หลานนี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแม่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 ทุกข์ก็สงบตัวไปด้วยหรือจากความเย็นสบายอยงสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพียนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียต่อสู้กับสงครามที่มันขกเกืนอยู่เสมอภายในใจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็คอเห็นโทษแห่งความคิดตุงมทั้งหลาย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 นี่สมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อของสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจผูจะทำให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นพูกผึิผู้ทำเองสมาธิมีความสงบใจก็มีความร่มเย็นเป็นปกมีฐานเป็นท้องตนตั้งขึ้นภายในจิต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 ฐเดียว่าสมาธิสเป็นสิ่งเป็นรวอนใจอันหนึง่งปัญญาคือความแยกหายความคิดความคิดพิจารณาสอบสอบใ น, นเหตุในผลทั้งขางนอกข้งในเบ้งบนเบื้งล่างสถานทางภ า, า, า, ายในร่างกายของหน่ตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในเนี่ยใดว่าจิตปัญญาตามทุกพิจารณาให้รู้เหุรู้ผลตามความคิดของตัว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 อาเซยก็ท้าบอยู่ายในิตตแต่ไม่สามารถที่จะนำออกขี้คายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้เพะเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองพอให้ทุกประพปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตัวก็ปกโซมงทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเจิดนักพิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรมธรมชาติโดยธรรมชาตินี้ตัวเอง คือเกิดขึ้นี้จิตอันนีเียนธรรมจบเียนโลกจะจบตรงนี้โลกคือโลกแห่งขันนั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวเราเียนทรรก็คือทํามั้นไหนจะว่าไรจนกระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบเรื่องการทํา น, า น, นเรียนโลกกระจบเรียนธรรมก็รอดกระจบหายสงสัย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 ทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เนรลยะเวลาอนุติตรงเกียนแท้่ะ